34ทาสวัตถุว่าด้วยทาตบรรพชาข้อเกสมัยนั้นทาตคนหนึ่งได้หนีไปบรรพชาในหมู่ภิกษุพวกเจ้านายพบเข้าจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุรูปนี้คือทาตของพวกเราคนนั้นเอาเถอดพวกเราจงจับภิกษุนั้นไว้มนุษย์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนี้เพราะพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมครัช ได้ทรงมีพระบรมราชาอนุญาตไว้ว่ากุลบุตรเหล่าใดได้บรประชาในพวกสมณะเชื้อสายพระสักกายบุตรกุลบุตรเหล่านั้นใครๆจะทำอะไรไม่ได้พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประนามโผลนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักกยบุตรเหล่านี้ปลอดภัยใครๆจะทาอะไรไม่ได้